ตั้นสาทุชนวัตไบร์ษัตว์ทั้งหลาย <c oughs> สําหรับวันนี้ก็มาพบกันในแนวสีของเรื่องประวัติขครมพอบานแต่ถ้าว่าตอนนี้เป็นตอนที่อาจจะมาเล่าถึงเรื่องอาจจะมาตายครั้งที่หนึ่งในวันก่อนมาจบลงตอนที่นอนอยู่แล้วก็ภาวนาหินพระแล้วก็ดูมันว่า การภาวนาคราวนั้นจะเป็นการภาวนาการตายมากกว่า <c oughs> <c oughs> แต่ถึงว่าจะเป็นการภาวนาการตายแต่ว่าจงองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตยสังิิตเถสุขติปาธิกัางขาถ้าก่อนที่จะตายที่กำลังใจเป็นกุศลคืนนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีก็มีเหตุที่จะไปสวรรค์ได้ ตามีองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตัดไว้ในเรื่องของมัตตกุ่นลีเทพบุตรที่ตอบการที่นักกับปุปกะพราหมณ์ว่าคนที่ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังเทศเพียงแต่เพียงนึกที่เราสถาคตอย่างเดียวจะไปสวรรค์ไม่ใช่นับด้วยร้อยไม่ใช่นับด้วยพันไม่ใช่นับได้หมื่นไม่ใช่นับได้ไไแสน หมายความมากไปได้มากกว่านั้นเรื่องนั้นเป็นเรื่องใ้ธรรมบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ก็ขอนำมารับกับเรื่องนี้เพียงแค่นิดหน่อยวันนี้ก็จะคุยกันต่อไปตาโนสีตอนนั้นว่าอาตมามีความรู้สิกรักท่านมากพระองค์นั้นสีท่านเหลืองอรามหน้าก็ยิ้มสวย กลิ่นผูดก็หอมตลบรู้สึกว่ามีความสบายใจมากเมื่อหลับตาลงไปก็เห็นภาพพระรอยที่น่าอยู่เสมอภาวนาไปไม่กี่นาทีอาการทางปวดท้องที่รู้สึกก็มีความรู้สึกว่าคลายตัวลงสำหรับตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท มาทราบตอนภายหลังว่าการความปวดท้องคลายลงหรือทุกขเวทนาคลายลงตัวนี้เป็นกำลังของจิตที่เข้าถึงอุปจาระสมาธิและพร้อมกัเห็นภาพพระที่ลอยตรงหน้าสวยมากขึ้นทุกทีเดิมเป็นสีเหลืองแบบสีเหลืองธรรมดาธรรมดา ต่อมาก็เพิ่มเป็นสีสดใสขึ้นที่ดน้อยด้าน้อยจนเห็นชัดําหรับตอนนี้เป็นอุปจารสมาธิที่มีความเข้มข้นขึ้นในด้านของของสมาธิจิตต่อมาก็เกิดเป็นแสงเป็นประกายคล้ายเพชรเหมือนกับเพชรยามดีที่ถูกแสงไฟตอนนี้อารมณ์จิตเป็นฌานก็มาพูดกันตอนหลังนี่นะตอนนั้นแต่มาก็ไม่รู้ ตอนนี้จิตเริ่มเป็นชาญสมาบัติแล้วก็เป็นากายแพร่พราไปทั้งองค์จนกระทั่งมีความรู้สึกเพลิดเพลินกับความสวยงามของภาพพระตอนนี้ก็เลยลืมความเจ็บปวดเสียสิน้นตอนที่มีจิตเพลิดเพลินกับความสวยงามสวยงามของพระตอนนี้ถ้าว่ากันโดยฌาบนบรรดาท่านพุทธบริษัท เขาถือว่าเป็นเอกั บ, กอบคาตาคอุเบขาคือเอกับตามีจิตจับพระเป็นอารมณ์จับไว้จุดเดียวคือมีความสวยก็พอใจในความสวยอุเบขาทิ้งความรู้สึกทางกายเสียตอนนี้ท่านถือว่าเป็นชานสีขวัดาญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังแล้วก็ทราบตามนี้ด้วย เพราะว่าจิตเป็นเร่อกายเห็นเป็นเร่กายสวยสดงดงามจิตจับอยู่เฉพาะพระแล้วก็ลืมความรู้สึกทางกายความจริงจะว่าลืมไม่ใช่ลืมเพราะว่าฌานสีนี่จิตกับกายแยกกันยันเด็ขาดคือจิตไม่ยอมละรับรู้ความสัมผัสทางกายที่เรียกคำว่าฌานสีจิตจับพระเป็นอารมณ์จุดเดียวเป็นเอกขาตารมณ์เป็นอารมณ์หนึ่งอันหนึ่ง จัดไว้เฉพาะหนึ่งไม่มีสองและก็เออุเบคาวางเฉยตามความรู้สึกเขานางกายคือจิตมันแยกจากกายนั่นเองอ่านกันต่อไปว่ามันไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลยเวลาผ่านไปประมาณเก้านมริกาเศษตอนนี้ลืมตาเพื่อนดูคนที่มาและก็ภาพต่างๆสายตาเห็นสั้นเข้ามาทุกที ช่วงเวลาสองสามนาทีมันก็เกิดมองอะไรไม่เห็นเลยนี่ลักษณะของคนจะตายแต่ว่าจิตสบายใจสบายสิ่งที่เสียดายมากที่สุดก็คือมองไม่เห็นพระเวลาที่ลืมตาขึ้นมาจะดูพระพุทธรูปแต่มองไม่เห็นพระรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถจะมองเห็นพระองค์ที่รักได้ ยิด้พยายามหลับตาเสียเอาจิตไปจับความรู้สึกนึกถึงภาพพระตอนนี้ความรู้สึกก็สมบูรณ์แบบสติสัมชัญญะก็มีปกติอาการปวดไม่มีแต่รู้สึกเป็นห่วงพระเสียนายที่ภาพพระพุทธรูปที่ ม, ทมีที่มีความรักรู้สึกเสียนไดท่านมากเลยคิดเอาไว้ว่าเมื่อไม่เห็นก็ไม่เป็นไร จิตบอกกับตัวเองว่าแม่เคยบอกไว้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราภาวนาว่าพุทโธพระท่านจะไปหาเราทันทีฮะแล้วการที่พระมานี่จะไม่มาในพาพของพระพุทธโรูปจะมาในร่างของพระที่เป็นทิพย์ความรู้สึกของแม่บอกไว้อย่างนั้น เมื่อนึกขึ้นมาได้ก็มีความมีกําลังใจขึ้นว่าถ้ากระไดก็ดีเวลานี้เห็นพระภาพพระพุทธรูปมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าภาวนาว่าพุทโธไว้พระท่านก็จะมาในภาพเป็นทิพย์ถ้าสภาวะที่ท่านเป็นทิพย์นี่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทิพย์เป็นยังไงอยากจะรู้นักว่าภาพพระที่เป็นทิพย์นันเป็นแบบไหน <c oughs> เป็นอะไรคิดได้อย่างนี้แล้วก็เลยภาวนา น, นึกถึงพระ แต่ตาหนังสีบอกว่าภาวนาเรียกพระนิวากันตามภาษาเด็กภาษาเวลานี้ก็ภาวนานึกถึงภาพรพระขอใพระมาช่วยในใจก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเห็นท่านขอให้ท่านมาให้เห็นพอภาวนาได้ประมาณสามรอบหมายความพุทธโธแล้วก็พุทธโธพุทธโธ เท่านี้เองก็ปรากฏว่าภาพพระปรากฏท่านคราวนี้ท่า น, า น, นมาท่านไม่เป็นมีไม่ไม่มีลักษณะเป็นภาพพระพุทธรูปท่านเป็นพทะสงมีรูปร่างสวยงามมากมีนิ้วมีแขนมีขาทุกส่วนกลมไปหมดไม่เป็นเหลี่ยมเหมือนกับของเราตามปกติริมที่ปากท่านกันแดง น, น้อยรู้สึกแดงกรลม น่ารักแดงพอเหมาะพอสวยไม่แดงเกินไปรู้สึกน่ารักเป็นพิเศษผิวเนื้อก็เต็มทุกส่วนไม่มีส่วนบกพร่องในจุดใดจุดหนึ่งเลย <Yeah. S 1> แล้วก็มองเห็นเวลาที่ท่านมองมารู้สึกว่าท่านยิ้ม น, น้อยๆกำลังน่ารักชื่นใจตอนนี้จิตใจดีมาก แต่ท่านก็ไม่พูดอะไรท่านยิ้มอยู่ตลอดเวลาปกติอาตมาเองก็เป็นคนชอบคนยิ้มอาตมาเองก็ชอบยิ้มให้คนอื่นที่พบที่เคยพบเห็นแต่ว่าถ้ายิ้มให้ใครเขาตั้งสามครั้งแล้วเขาไม่ยิ้มรับตอนนี้ก็มาเรื่องอุบเบกขาเองแล้วเป็นอนว่าคนนั้นตลอดชีวิต ในเวลานั้นมีความรู้สึ ก, กว่าอย่างนั้นะจะไม่ยอมยิ้มให้อีกเลยอันนี้จะถือว่าเป็นมานะทิฐิก็ไม่หน่นักเพราะว่าแต่พูดตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนใหากล่าวว่าปูชาะปฏิปูชังวันโกปฏิวันทนัง <c oughs> เมื่อเราบูชาเขาเราก็จะรับการบูชาตอบ เราไหว้เขาเขาก็ไหวตอบในเมื่อเราบูชาเขาเขาไม่บูชาตอบเราไหวเขาเขาไม่ไหวตอบก็ไม่ควรจะไหว้กันต่อไปแต่นี้ในเมื่อเวลาเรายิ้มให้คนอื่นพยายามถึงสามครั้งแต่เขาไม่ยิ้มด้วยแสดงว่าคนนั้นก็เลวเกินไปเราก็ไม่ยิ้มต่อไปดีกว่านี่ก็ตามความรู้สึกในสมัยนั้น แต่ว่าความรู้สึกในสมัยนี้ก็คงจะคิดเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อเราให้เขาไม่รับเราก็อย่าให้ต่อไปเพราะพระเจ้าตลัสว่าถ้าเราจะให้แกคนที่เราคนที่เราควรให้เมื่อเขาให้เขาเขาก็ให้เราเราก็ควรให้ต่อไปถ้าเราให้เขาเขาไม่รับเราก็ไม่ควรให้ต่อไปหรือว่าเราให้เขาเขาไม่ให้ตอบเราก็ไม่ควรให้นี่พูดตามทัศนะของ ท่านบิดาของนาวิสาขาสอนลกูกเป็นอันว่าตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าชอบใจในความยิ้มนะราว่าตัวเองในชอบยิ้มให้คนอื่นที่พบที่เห็นแต่ถ้ายิ้มสามคราวเขามายิ้มรับเราก็ไม่ยิ้มให้อีกเลยตรงนี้ตาหน้าซีตกตัวว่าไม่ดีแต่ก็ มาตอนนี้มีความรู้สึกว่าคงจะดีเมื่อการยิ้มให้เขาเขาไม่ยิ้มรับทั้งสามมาระนี่การยิ้มให้ของเราต่อไปเขาไม่ชอบใจจะทำให้เขาเทือนใจสู้วางเฉยไม่ได้เป็นคนอ่านกันต่อไปว่าเป็นมันเป็นเรื่องของคนเตที่เต้าซื้อเขียนไว้นะว่าตรงนี้ไม่ใครจะดีนะัก แต่ก็ในเรื่องของคนที่มีกิเลสว่ากันตามอารมณ์ปกติของคนมีกิเลสแต่ความจริงว่ากันตามความจริงคนที่ไม่มีกิเลส ว, ว่าทำแบบนั้นเหมือนกันเมื่อไอตอนนี้เตือนท่านผู้อ่านว่าอย่าเอาอย่างนะปฏิบัติแบบนี้ไม่ดีแต่ว่าเวลาที่พูดนี่เห็นว่าดีควรทำ <c oughs> มันเป็นกรรมที่เป็นอกุศล หนังสือเขียนอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ถูกในเมื่อเราให้เขาเขาไม่เขาไม่รับเราวางเฉยเป็นอุเบกขาญาณขอแก้หนังสือนี่ไป็นนั้นว่าจะเอาก็เลือกเอาแต่ไมไ่เตือนท่านว่าตอนไหนหนะังสือที่เป็นการที่ไม่ดีเนี่ยขอบันดาท่านพุทธบุตรสัจยาไปเป็นตัวอย่าง ตอนไหนที่ดีก็ควรเอาเป็นตัวอย่างเหมือนกับการเก็บผลไม้ไม่ใช่ว่าเหมือนกับคนที้ต้ขึ้นต้นพุ้ราแล้วก็ขยมลงมา <c oughs> ลูกไหนที่มันกินรสไม่อร่อยน้อนกินก็ไม่ควรจะกินลูกนั้นลูกไหนที่มีรสดีก็กินลูกนั้นก็เหมือนกับฟังเรื่องราวคอนสืรนี่ก็เหมือนกัน ถ้าตอนไหนไม่ดีบรรดาท่าพุทธบริษัทเอียนนําไปปฏิบัติคนจะเว้นเสียถ้าตอนไหนที่ดีก็นํามาไปไปพิสปิบัติตอนนี้ก็มาคุยกันเรื่องภาพพระต่อไปเป็นอันว่าตอนนั้นมีความรู้สึกรักแล้วก็ชื่นใจในพระมากเพราะท่านยิ้มท่านสวยด้วยท่านสวยแล้วก็สวยขึ้นเป็นลําดับทุกทีทุกทีทุก ท, ท, กทียิ่งมองก็ยิ่งสวย ต่อมาก็มีแสงออกจากตัวมีหกสีที่เราเรียกกันว่าฉัพันรังสีมองดูคล้ายพระอาทิตย์ทรงกรดแต่ก็สวยงามมากกว่าจนเทียบกันไม่ได้ตัวท่านเองแทนที่เป็นสีเหลืองก็กลับเป็นสีเป็นแบบกายทั้งองค์อาจจะมาตอนนั้นรู้สึกว่ามองไปยันลืมตัว มองไปมองมาก็ปรากฏว่าตัวเองกลายเป็นคนสองคนนี่ซ้ำกับก่ออ๋อนี่ซ้ําำกับก่อนนิย่าโย่เพืบริษัทข้อภัยนะเมื่อซ้ําแล้วก็ว่ากันไปเลยเพราะว่าหยิบหนังสือขึ้นมาไม่ทันสังเกตต่้ข้อภัยด้วยกลับมีสีเป็นรากายทั้งองค์จนมองจนลืมตัวมองไปมองมาก็ปรากฏว่าตัวเองกลายเป็นคนสองคนคือคนหนึ่งยืนอยู่ ข้างคนเดิมแล้วก็ตัวใหม่นี้ก็มีความสวยสดสวยสดุดงามกว่ามองดูเนื้อสายมันแก้วมีผ้านุ่งเป็นสีทองเสื้อเป็นสีทองมีแก้วประดับเต็มผ้าไปหมดแรพรวาวสวยงามมากมองดูสีเนื้อตัวเองสีทองที่เป็นสีของผ้าเป็นแสงออกมาจับเนื้อมองดูเป็นทองทั้งตัว บนหัวมีชันดาทองประดับแก้วแก้วที่ประดับเสื้อผ้ารัชดามีแสงออกามากตอนนี้ก็เลยลองขยับตัวดูเห็นมันคล่องแคล่วดีมีความเบาผิดปกติการเคลื่อนไหวก็สะดวกมากดูตัวที่นอนเห็นแล้วก็ทราบว่ามันเป็นตัวของเราเองแต่ก็ไม่มีความสวยสดงามอะไรเลยน่าเกลียดโสวโครกทุกอย่าง มองแล้วก็รังเกียจไม่ใหญ่จะเข้าไปแตะต้องมันเลยมองดูมันมันก็ไม่มีลมหายใจตอนนี้ความรู้สึกตามในใจมีวความรังเกียจอย่างที่สุดเห็นร่างเดิมมีประกายเป็นซ่าศพปรากฏเป็นภาพซ่าศพดูข้าคว้าไปข้างในก็เหมือนกับเป็นซุวมหรือว่าของที่ขังความสกปรกไว <c oughs> แต่ความรู้สึกของใจเวลานั้นไม่มีความห่วงใยในภาพในร่างกายเดิมเลยแทนที่จะห่วงก็กมีความรเกียดอย่างหนักเกลียดมากเหมือนกับคนเราที่แต่งตัวสะอาดชำระร่างกายดีแล้วจะให้เข้าไปแตะต้องสุนัขเหน่าเราไม่ต้องการชั้นใด ความรู้สึกของร่างกายก็ความรู้สึกของจิตใจต่อร่างกายเดิมในเวลานั้นเป็อย่างนั้นแต่ตอนนี้ซ้ํากันกว่าที่แล้วในญาติโยมนะเปลอไปก็ขออภัยด้วยต่อมาก็หันมาดูพระข้าในเมื่อเข้าไปยุ่งกับร่างกายก็หันไปดูพระใหม่ปรากว่าท่านหายไปเสีแล้วเอ้ควาไตัวเดิมที่มันออกไปไม่ควาตัวที่ออกไปใหม่ <c oughs> จากตัวเดิมก็วนเดินวนไปเวียนมาอยู่พักหนึ่งรู้สึกว่ามันมีความสบายเป็นพิเศษมีความเยียกยินพอเป็นสุขใจสงบตัวก็เบาความเจ็บปวดใดๆก็ไม่ปรากฏขึ้นปวดก็ไม่มีเมื่อยก็ไม่มีเจ็บก็ไม่มีมีความสบายมาเดินไปเดินมาก็ชักอึดอัดใจที่นี่ที่ยืนอยู่บนบ้าน อยากจะลงไปเดินเล่นหลังบ้านโดยที่นั่นเห็นว่าเย็นสบายดีคือว่าหลังบ้านเนี่ยตามปกติมีต้นไม้แล้วก็มีอากาศ ร, ร่มรื่นชื่นใจเป็นที่ชอบใจอยู่เสมอแต่ ว, ว่าการไปนอกบ้านเป็นปกติแต่ ว, ว่าการที่จะไปไหนคลาดจากสายตาของแม่จะต้องอำลาท่านก่อนแจ้งท่นทราบ ถ้าว่าไม่บอกท่านนะในยามปกติถ้าไปไหนคาดสายตาท่านไม่แจ้งให้ดันทราบไม่ก็หมายความว่าจะต้องพบกับกบีอายาสิทธ์ก็คือไม่เร็ว <c oughs> ถ้ายะว่าไปตามความจริงสมัยนี้ก็ออยัาหาว่าแม่เนี่ยเคร่งเครียดมากแต่แต่มาเองก็มีความรู้สึกภายหลังว่าแม่เป็นคนรั ก, กระเบียบ เป็นเหตุใ้ต่อมาในภายหลังการเรียนอังืีไม่เคยถูกตีเลยเพราะว่าระเบียบที่แม่ใช้มาซะจนชินในเมื่อคำสั่งใดของครูห้ามวาริ้งนิดไม่ดีสินั้นไม่ดีเ <c oughs> <c oughs> กือบราวกดว่ามันไม่หนักเท่าที่แม่ห้ามก็มีความเบาเ <c oughs> มื่ออยู่โรงเรียน เ, เคยไม่เคยถูกทำโทษแม้แต่ครั้งหนึง่ง อ่นนั้นเวลาที่จะออกไปข้างนอกถึงแม้ว่าตัวมันจะเป็นตัวที่สองแต่ว่าใจมันก็เป็นใจเดิมความรู้สึกในระเบียบเดิมย่อมมีจึงก็ไปหาท่านแม่ก่อนแล้วยกมือไหว้ท่านบอกลาท่านว่าจะไปหลังบ้านแต่ท่านเองก็ไม่ยอมพูดด้วยท่านมองแต่เจ้าคนที่มันนอนะ มันนอนอยู่มันไม่หายใจแล้วมันก็สปกปรกมันก็น่าเกลียดด้วยการทั้งปวงเอามือไปจับตัวท่านวันนี้ท่านรู้ตัวท่านก็ไม่เหลียวมามองในเมื่อไปหาท่านแม่แม่ทาไมสนใจก็เลยไปหาท่านลุงหวังว่าถ้าบอกแม่ไม่สนใจบอกลุงก็พอได้ถ้าเวลาท่านแม่ไม่เห็นลุงอาจจะรับรองว่ามันบอกฉันแล้ว แต่ท่านลุงก็เข้าตำนงเดียวกันที น, นี้ไปหาใครในที่นั้นทั้งหมดที่เขานั่งอยู่ก็ไม่มีใครเขาสนใจเมื่อไม่มีใครสนใจก็เลยถือโอกาสว่าไปเอาละในเมื่อท่านไม่รู้ก็ขอลาเอียงได้เดินลงบันไดบ้านแล้วก็เลี้ยวออกไปยืนอยู่ข้างทางผ่านหลังบ้านมีความรู้สึกสบายใจมาก ลมเย็นสบายอากาศโปรง่งใช้ตามองได้ยาวมีความสุขนี่ก็มีความสดชื่นไม่มีกังวลขณะที่ยืนอยู่ที่หลังบ้านได้ยินเสียงคนบางคนบนบ้านที่เขาสนใจกับเจ้าคนที่นอนไม่มีลมปรานและยินเสียงเขาเร้องไห้ก็มีความรู้สึกแปลกใจคิดว่าเขาเร้องไห้ทําไมกัน เห็นเขาร้องไห้แต่เมื่อมีญาติตายหรือว่าเสียของที่รักแต่นี่ไม่มีใครตายสักคนเขาร้องไห้ทำไมกันนี้ความรู้สึกนันเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพทธบริษัทความจริงร่างกายมันตายแต่ใจมันไม่ได้ตาย ใจเวลานั้นมันมีความสุขมีรูปร่างหน้าตาสวยกว่าเดิมเบากว่าร่างกายเป็นแก้วลองหลับตาคิดดูเครื่องบรรดับก็เป็นทองทั้งหมดผ้านุ่งใส่เสื้อนี่เป็นทองแล้วก็มีเพชรเป็นเครื่องบรรดับมีชฎาสวมเหมือนกับพระเอกดีเก๋แต่สวยกว่ามาก <c oughs> ความสุขมันมีก็เดิมไม่มีความสนใจกับร่างกายที่มันนอนอยู่ ความรู้สึกว่าตายมันก็ไม่ปรากฏเออเหมือนกับเราทิ้งเสื้อผ้าที่ขาดตุ้งเรี่ยงเก่าแล้วก็สุกปรกมา น, นุ่งผ้าใหม่ที่มีราคาสูงและร่างกายสมบูรณ์แบบมีความสุขเราจะไปห่วงอะไรกับผ้าเกา่าร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นบรรดา ญ, ญาติโยมที่ฟังในตอนนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าบอกให้ตัดขันห้าในวิปัสสนาญาณ ว่าร่างกายที่เราทรงอยู่นี่มันไม่ใช่เรามพนไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจะรู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายที่เราทรงอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆเราจริงๆคือทอิศ ม, มารนกายที่เข้ามาใสเหมือนกับภาพตัวที่สองที่ปรากฏเป็นนั้นว่าเมื่อฟังเขาร้องไห้คิดว่าเขาร้องไห้ทาไม ที่แล้วก็ไม่สนใจยืนอยู่หลังบ้านอยู่สักครู่หนึ่งยืนอยู่นานไม่ทันทถึงสิบนาทีเวลานี่เป็นเวลาโดยประมาณก็เห็นคนมาจากเดินทางทิศใต้เป็นแถวยาวเหยียดจึงได้คอยดูอยู่ข้างทางคิดในใจว่าคนนี้เขาไปไหนกันเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้เห็นชายสี่คนคุมมา ว่าคนสี่คนนี้ต้องผ้าสีเขียวเหมือนกันหมดตัวก็ใหญ่มากสูงมากพวกที่เดินตามหัวตามมาเนะี่ยหัวของคนคนนั้นแค่เขา่าของคนอีกคุมมาเท่านั้นเองเห็นเขาใหญ่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ทำไมแต่สี่คนนี้ก็จริงใหญ่นะักเมื่อกคใหญ่ได้เราก็ลองใหญ่ดูที ลองทำตัวให้มันใหญ่เท่าเขาตัวมันก็ใหญ่มากเหมือนกันใหญ่แล้วก็สูงเท่าเขาคนสี่คนที่คุมคน ม, มาเดินนำหน้าคนหนึ่งเดินนาหน้ามีสมุดคอยในมือสองคนเดินขนาบข้างอยู่สองข้างคนที่สี่เดินท้ายแสดงว่าเป็นการควบคุมการห น, นีเมื่อหัวหน้าใหญ่เข้ามาถึง ดามาเองในตอนนั้นมีความรู้สึกว่าใครความเคารพนอดนอที่แม่สอนยังปรากฏว่าเห็นผู้ใหญ่ต้องไหวและพบคนที่แก่กว่าหนึ่งวันถือว่าเขาเป็นพี่ต้องไหวจึงได้ข้าไปยกมือไหวเขาและถาถามว่าคุณลุงครับเขาเมื่อถามแนละ้วเขาก็มองมามองมาดูหน้าแล้วเขาก็ แทนที่แยพูดเขาเปิดสมุดคอยก็เปิดสมุดคอยดูเขาเปิดแป๊บแกเหม็นแะพลิกมากเนี่ยแกก็เลยบอกว่าพ่อหนูพ่อหนูเนี่ยไม่มีชื่อในบะัญชีนะหลานนะหลานยังเข้าบ้านไปก็เถิดประเดิบแม่จะบนหาแม่แกก็จุงมือชันมาที่บันไดบ้านแล้วบอกขึ้นไปบนบ้านฉันนะลูกนะฉันหลานนะ แต่ขืนมายืนยนอย่างนี้แล้วก็ผิดระเบียบที่แม่สอนแต่ปรเดี๋ยวแม่จะบ่นหาเมื่อเขาจูงมาที่บายไนบ้านนะเขาก็เดินกลับไปนําขบวนต่อไปสําหรับอัตมานี่มีนิสัยเสียมาตั้งแต่เด็กถ้าทุกอย่างมีอะไรให้สงสัยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องเปื้อนความสงสัยให้ได้ของที่อยู่ในหีบของที่อยู่ในหอ ถ้าไปสามารถจะรู้ได้ก็ต้องรู้ว่าถ้าอันใดวาจาใดที่ผู้ใหญ่พูดถ้าเราไม่เข้าใจและก็เป็นเหตุสุริสัยในตอนนั้นจะต้องพยายามค้นคว้าทันทีแม้แต่เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆงเห็นก็ทําได้เราก็ต้องทําบางถึงแม้ว่าทําไม่ดีเท่าเขาทําพอใช้บ้านได้ก็เอานี่เป็นนิสัยเดิมชอบคน้นคว้า ถ้ามีอะไรสงสัยไม่ปล่อยความสงสัยนี่ครอบงามจิตเป็นอันว่าเมื่อตาลุงแกนไปนํำขบวนต่อไปอาตมาก็มีความแปลกใจคิดว่าตะลุงนี่ถ้าทางจะยังไงไงเสียแล้วเราถามว่าไปไหนดันเปิดบัญชีแล้วก็บอกว่าไม่มีชื่อในบัญชีเอ้เรื่องอะไรของแกที่จะมาบังคับเราฮะ อยู่อยูๆจะบังคับไม่มีได้บัญชีตามไม่ได้ยืนอยู่หลังบ้านก็นไม่ได้นี่มันไม่ใช่วิสัยของคนดีเนี่ยถือว่าเสียเกินไปไม่ได้ในเมื่อสงสัยแบบนี้ปล่อยเนี่ยต้องถามว่าความให้ได้จินได้เดินตามไปออกไปอีกเห็นคนที่ผ่านไปข้างหน้าไปก็เป็นคนที่เคยรู้จักหลายคนเขาก็เป็นคนตำบลเดียวกันแล้วก็ทราบดีว่า คนหลายคนนี่เขาตายไปหลายวันแล้วแล้วเลยมาสงสัยว่ามันอเขาตายไปแล้วทําไมคนเดินอยู่ได้ยังไงไอ้คนตายนี่มันเดินไม่ได้แต่ทําไมผู้คนตายที่มันเดินไปเดินมาเดินกันมันแถวไอ้ตัวเองตายไม่รู้ฮงพอถึงคนที่กันหนาบข้างอ่าเรนนะนท่านแล้วก็คนทายยิงถ า, ขางข้อแบบนั้น เขาว่าทาแบบเดียวกันก็เลยสงสัยใหญ่คือก็าถามเขาเขาบอกไม่มีชื่อกลับไปสั่ น, นูเลยเกิดความสงสัยได้ตอนสงสัยที่จะปลืองความสงสัยได้ยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาหมดเสแล้วนี่ก็บังเอิญมันว่าคขาเสดหน้านี้เนะ่ยบังเอิญจริงๆเผลอไปไปซ้ํากับวันก่อนเข้าเขาต้องขออภัยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท แล้วคิดว่าดีเพียงกันฟังมาวันจาดฟังก่อนกว่าจะถึงวันนี้อาจจะลืมไปเสียแล้วแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอแก้ตัวอย่างน้ำคุณคุณขึ้นเชี่ยวความผิดในการพังเพลเป็นความผิดก็แตมาอาราบรรดา ญ, ญาติโยมพระตบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเส็จแล้วขอลาก่อน วันหน้าพบคนใหม่เขาความสุขสวัสดิ์ีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ลผลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี